ไลซาร่ารือไม่ใช่เลยไล่าร่าลือแต่มีอย่างนี้นะคือคืออย่างนี้นะเรื่องกรรมเนี่ยนะถ้าบอกว่ากรรมดำให Eller, ้วิบากดำคืออกุโละกรรม ให้วิบากดำกรรมขาวคือกุศลกรรมให้วิบากขาวการเป็นมนุษย์เทวดาถ้ากรรมดําให้วิบากดําเป็นอไบยะสัตว์กรรมขาวให้วิบากขาวเป็นมนุษย์เทวดากรรมทั้งดําและขาวให้วิบากทั้งดําและขาวค้าเข้ากันไปบางคราวเกิดเป็นมนุษย์แต่อุศสก็ตามมาเล่นเงี้ยดาและขาวค้าเข้ากันบางคราวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจริงแต่มีคนคอยดูแลอุ้มประฆ่าประงงเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันค้าเข้าอย่างนี้ก็คกรรมทั้งดําและขาวค้าเข้ากันไป ถ้ากรรมไม่ดำไม่ขาวให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนั้นเป็นพวกสติปัฏฐานสมปบทานิที่บาจนถึงมรรคแดอันนี้เป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยสิ้นจากภพสิ้นจากกรรมฉะนั้นถ้าถามว่าตัดกรรมจริงๆมันต้อง ม, มรรคมรรคกรรมมรรคกรรมเนี่ยไม่ตัดกรรมด้วยการนั่งทําพิธี แต่มันได้จากการเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลแล้วก็พัฒนาอนุสติทั้งหลายเป็นต้นเหราเนี่ยนะจนเข้าถึงโลกุตระธรรมมันต้องขับเน้นด้วยตัวเองไม่ใช่ไปให้คนอื่นทำให้เข้าใจไหมไม่ใช่ไปตัดอย่างนั้นถ้าทำงั้นง่ายก็สบายที่คนทำชั่วไปเยอะๆก็ไปทำวิธีตัดกรรมแล้วก็จบู่มันได้ที่ไหนอะอย่างนั้นเนี๋ยวกขอ้ขอแท้จริงมันไม่ใช่ ก็หลอกกันไปก็ได้เป็นไรแล้วใช่ไหมแต่เดข้อที่จริงลืมได้จริงรึเปล่าใไหมเด็กข้อที่จริงเปมันลืมได้จริงไหมไปทำผิดไว้ทั้งเยอะแยะเปเสร็จคิดว่านอนที่เตียงใกล้ตายแล้วจะลืมเรื่องนั้นได้จริงไหมไม่มีทางแล้วถ้าอากตศุลกรรมเหล่านั้นมามาปรากฏแล้วจะทำยังไงอ้าวสารภาพไปแล้วสารภาพแต่อักรรมมันให้ผลน่ยเอาที่สารภาพก็สารภาพไปที่ ถ้ายึดอารมณ์นั้นก่อนตายก็ลงอบายเนี่ยก่อให้สารภาพยังไงก็ไม่รอดไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการสารภาพหรือไม่สารภาพไม่เกี่ยวก็ อ, อย่างนี้พระเจ้าไม่ได้จํากัดเลยใครจะศาสนาไหนก็แล้วแต่พระเจ้าไม่ได้จํากัดฉะนั้นใครจะเอาคําสอนของพระเจ้าไปใช้เอาไปหูภพศาสนาของพระชินาเจ้านี่ปราทนางหยคนเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติ พระพุทธเจ้าไม่ได้จํากัดว่าคุณจะถือศาสนาไหนอย่างไรเพราะแต่ก่อนคนคนก็ไม่ได้นับถืออะไรกันมีทั่วอยู่แล้วมั่วอยู่แล้วสัตว์โลกทั้งหลายเนะี่ยไม่รู้เรื่องกันอยู่แล้วฉะนั้นพระบรมศ า, าศาสดาตัสรุนุตละสมาสัำพริญานเนี่ยเอาความจริงมาเปิดเผยแต่เราก็มาเรียกว่าพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคําสอนของพระชินเจ้าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยมาเรียกว่าเป็นศาสนาพุทธแค่นั้นเอง แต่จริงๆเนี่ยคือคำสอนของท่านผู้รู้จริงๆเป็นคําสอนของผู้ท่านผู้ประเสริฐเป็นคําสอนของท่านผู้เลิศสูงสุดฉะนั้นคุณจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่เอาไปปฏิบัติเถอะคุณจะถือสั ญ, ญลักษณ์ศาสนาไหนคุณก็ว่าไปแต่คุณปฏิบัติตามคําสอนอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะพ้นทุกข์แต่คุณทําศรัทธาให้ถึงนะเอาถ้าคุณไม่ศรัทธาพระเจ้าคุณศรัทธาพระธรรมได้ไหมศึกษาโลกุตละธรรมเอาแล้วคุณจะพ้นทุกข์ บอกว่าเอ้าไม่แล้วพุทธเจ้าไม่เอาแล้วสัญลักษณ์ไม่ชอบแต่ให้ศึกษาโลกุตลธรรมมักสี่พลสี่ที่พันหนึ่งให้พ้นทุกข์ให้ได้และปฏิบัติตามวิธรมนั้นที่สุดจริงๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สำหรับผู้ที่เขาศึกษาธรรมแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ได้มีศาสนาใดๆแล้วก็ประกาศคำสอนในแนวของพระพุทธองค์แต่ตนก็ไม่ได้นับถือพระพุทธองค์อย่างนี้มันจะผู้ผู้ที่ประกาศคำสอนเนี่ยเขาก็มีทิฏฐิไม่ตรงแล้ว แล้วในคำคอสอนนั้นเราผู้ที่จะมาเป็นสายานุสิ์ทำนองนั้นอะค่ะจะปฏิบัติตามได้หรือหรือว่ า, าได้ผลสาเร็จจริงหรือคือคืออย่างนี้ที่พูดในทานองอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าที่ที่พูดในลักษณะอย่างนี้ต้องการอยากจะพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วถ้าเขาถ้าเขาเข้าใจพระธรรมแล้วเขาจะรู้ว่าพุทธเจ้าคือใครเพราะพุทธะคือสภาวะนะ ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์บุคคลนะธรรมะก็คือสภาวธรรมนะสังฆะก็คือสภาวธรรมนะไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์นะทีนี้ประเด็นกะถามว่าคุณเข้าใจตรงนั้นจริงอยู่ไหมถ้าเข้าใจตรงนั้นก็คือพุทธะก็คือสภาวะที่ดับจากวัตถุทุก์ใช่ไหมธรรมะก็คืออริยสัจจะทำทั้งสี่มรรคสี่วรรคสี่น 1, ิวรันหนึ่งอยูมั้งคำสอนสังฆะก็คือกลุ่มปฏิบัติ ก็คือกระแสขันนั่นแหละธาตุอายตนะที่ปฏิบัติตามสัจจะทั้งสี่แล้วก็พ้นจากวัฏทุกได้นั่นคือสัง้ะใช่ไหมคือพระรัตนตร mm ัย hmm. พุทธธรรมสังฆะรวมเป็นหนึ่งคือสภาวะดับชาติทุกชร า, าทุกพยาทิทุกและมรณะทุกจากที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวนะคะอย่างเช่นอ๋เอเข้าใจตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่า เ, ออเมื่อเขาพูดไม่ตรงคำสอนจะไปบอกว่าเป็นศาสนาของพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นถึงเขาพูดไปเหอะยังไงก็ปฏิบัติแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะไม่ใช่ไงต่อจะพูดยังไงจะไปบอกว่าท่านผู้นั้นประกาศคำสอนก็เป็เี่ยนแต่เพีงสมนวนที่เอามาพูดเนี่ยขอให้เอาคำสอนพระเจ้าไปใช้จริงๆเถอะใครนะเอาไปใช้แล้วจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้นั้น มีพราหม์มีพราหมณ์ท่านหนึ่งที่ท่านไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเออที่เออที่ท่านฟังธรรมแล้วท่านศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่ได้ไม่รู้แต่ท่านก็ศรัทธาแล้วขอถึงพระรัตนตรยัยแต่ท่านก็ไม่กล้าประกาศไม่กล้าถอนตนเอิงออกจากหัหน้าพราหม่มเพราะท่านกลัวเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์แต่ท่านก็เลยเข้าไปกราบท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้สัญลักษณ์พระเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น, นะถ้าหาก ถ้าหากเจอพระผู้มีพระเจ้านะถ้าข้าพเจ้าเนี่ยนั่งอยู่บนถ้าข้าพเจ้ายืนถือล่มอยู่ข้าพเจ้าจะลดล่มว่างั้นลดล่มลงหุบล่มลงนั้นแหะเป็นอาการแห่งการกราบเท้ากราบพระบาทของผู้มีภาคเจ้าขอใพระเจ้าจรงรับรู้ไว้หรือถ้าข้าพเจ้าสวมหมวกอยู่ข้าพเจ้าจะเอาหมวกออกว่างั้นขอให้พระผู้มีพระเจ้าทรงทราบเถอะว่าข้าพระองค์เนี่ยซบศีรษะแทบพระบาทของพระองค์แล้วหรือถ้าข้าพเจ้ายืนนั่งอยู่บนเกวียน ข้าพเจ้าก็จะลงจากเวียนเดินว่างั้นก็ให้รู้เถอว่านั่นแหะข้าพเจ้าซบศีรษะต่อพระบาทของพระเจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้าไม่กล้าเป็นแสดงตนเพราะถ้าไปแสดงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็จะเสื่อมจากยศเสื่อมจากอำนาจเสื่อมจากเมื่อเสื่อมจากอำนาจก็จะเสื่อมจากทรัพย์เมื่อเสื่อมจากทรัพย์ก็เสื่อมจากบริวารเมื่อเสื่อมจากบริวารข้าพเจ้าก็ลาบากประทิศิยังไม่ถูกถอนไง <m> ทิศที่ยังไม่ถูกถอน แต่ลักษณะอย่างนี้เขาก็ได้ดีเอามาพูดหมายถึงในนี้ด้วยขอไปปฏิบัติเถอะถ้าคุณยังละศาสนาของคุณไม่ได้อ่ะคุณเอาไปเอาไปใช้เหอะคําสอนเนี่ยเพราะคิดถีคุณมันกล้ามากนี่คุณกลัวเสียทรัพ ย, เ ย, ย์เสียอํานาจเสียยศเสียตําแหน่งฉะนั้นแต่เอาคําสอนพระเจ้าไปปฏิบัติเถอะแล้วคุณจะได้สุคติเป็นไปในเบื้องหน้าแล้วจะได้อัตยาศัยการไปบูชาพระเจ้าบ้างแค่นั้นเอง แต่ถ้าคุณเข้าถึงคําสอนไปเสร็จคุณจะกล้ากระชากความเห็นผิดออกความมีผิดถูกกระชากหลุดเมื่อไหร่แล้วคุณกล้าเลยคุณกล้าประกาศยืนยันว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกของพุทธเจ้าเพราะออถ้าไม่มีเวลานะีถ้ามีเวลาจะดึงสูตรหนึ่งมาให้รู้ของศีหาข้าพเจ้ดีเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าท่านประกาศยืนยันยังไงว่าประกาศยืนยันในฐานะเป็นอุบาสกและนับถือศาสนาอื่นด้วยเนี่ยนะจากการจะไปโต้วาทากับพระทธเจ้าเลยนะ โตเบ็เสร็จในส่วนจริงกล้าประกาศเลยจากการเป็นหัวห อ, อกเป็นดูบาศกเ ป, เป็นหัวห อ, อกข อ, ของคนนับถือศาสนาอื่นเลยนะแต่พอไปไปเบสเสร็จไปเป้าวุริเจ้าแล้วโต้วาท่าโบแพ้พเบ็เสร็จเนี่ยกล้าถอนตนเองเลยไปประกาศเลยว่าตนเองไม่ใช่สาวกของนิคโครอีกต่อไปอนี้เป็นต้น